6. ความคงทนและความสำคัญของวัตถุการทำบุญหรือทำบาปส่วนใหญ่จะอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งอย่างน้อยก็ทำให้จิตเกิดความรับรู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นคุณหรือเป็นโทษได้นานแค่ไหนมีความสลักสำคัญยิ่งหย่อนเพียงใดสำหรับความสำคัญของวัตถุนั้นคงมองได้จากคําถามง่ายๆเช่นว่าเป็นปัจจัยซีหรือเปล่า หากเป็นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคใจจะรู้สึกถึงความสำคัญได้ชัดเจนแต่ก็มีสิ่งอื่นที่ใจอาจรับทราบถึงคุณค่าเหนือปัจจัยสี่อย่างเช่นพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะหากโลกขาดสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีการสืบทอดพระสัตร์ธรรมเผยแผ่ไปได้กว้างไกลและยาวนานเลย หากวัตถุที่ตั้งบุญบาปเป็นของกินลักษณะบุญบาปจะออกไปทางมีกินมีใช้หรืออัตคัดขัดสนแม้อาหารเป็นสมบัติใช้สอยชั่วคราวเก็บไว้ได้เดียวเดียวกินเสร็จก็หมดเท่าว่าอาหารก็เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญสูงสุดขาดไปก็ตายฉะนั้นต้องใส่บาตรเรื่อยๆหรือให้อาหารแกสัตว์อย่างสม่าเสมอจึงจะช่วยให้มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย ไม่ไปเกิดใหม่ในประเทศที่อดอยากยากแค้นแม้ตกที่นั่งลําบากก็มีคนยื่นมือช่วยให้ไม่อดตายแต่หากเป็นพวกชอบลักกินขโมยกินหรือเป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังงบอาหารนักโทษเป็นประจําเอาของเลวให้ทั้งที่จัดของดีได้มากกว่านั้นเช่นนี้ย่อมไปเกิดในถิ่นแร้นแค้นหาน้ําหาอาหารดีๆถูกอนามัยได้ยากเย็นนัก หกวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นที่อยู่อาศัยลักษณะบุญบาปจะออกไปทางความร่มเย็นหรือเดือด ร, ร้อนเกี่ยวกับเคหสถานเพราะที่อยู่เป็นสมบัติใช้สอยระยะยาวฉะนั้นแม้สร้างวิหารสร้างกุฏิหรือสร้างเรือนให้คนอนาถาอยู่อาศัยเพียงครั้งเดียวก็ให้ผลยืดยาวเกินกว่าจะคาดคะเนแม้ความปราบปลืม้มก็ถูกหล่อเลี้ยงไว้ได้นานเช่นสร้างโบสถ์แล้วใจรู้อยู่ ว่าจะมีคนมากมายมาทำบุญใต้หลังคาโบสถ์อันร่มเย็ยนและงดงามสงฆ์จะได้ประกอบศาสนาจิจอีกหลายสิบปีกว่าจะถึงเวลาทุบสร้างใหม่ความเข้าใจประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสงฆ์ในระยะยาวนั่นเองจะปรุงแต่งจิตให้สว่างกว้างใหญ่กับทั้งมีความตั้งมั่นในบุญเป็นอันมากเกิดตายกี่ครั้งต้องมีที่อยู่คุ้มแดดคุ้มฝนเสมอตรงข้ามหากรอบวางเพลิง เผาบ้านในถินสลัมเพื่อไล่ที่ทําความเดือดร้อนสาหัสกับผู้คนนับสิบนับร้อยครัวเรือนเพียงครั้งเดียวก็เป็นอันคาดหวังได้ว่านักวางเพลิงจะต้องทนทุกเรื่องที่อยู่อาศัยไม่รู้จักจบจากสิน้นทั้งเ ป, เป็นพวกได้ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่ชั่วคราวก็โดนขับไล่อย่างไร้ความปราณีหรือไปอยู่บ้านไหนไฟก็ไหม้แทบจะชั่วข้ามคืนเป็นต้น หากวัตถุที่ตั้งของบุญและบาปเป็นเครื่องนุ่งหม่มลักษณะบุญหรือบาปจะออกไปทางผิวพันวันนะตลอดจนรสนิยมขั้นพื้นฐานในการแต่งกายเพราะเครื่องนุ่งห่มเป็นสมบัติที่ใช้นานแสดงความน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นตลอดจนเป็นสิ่งห่อหุ้มคุ้มร้อนคุ้มหนาวหากได้ถวายจีวรสงด้วยเนื้อผ้าที่ประณีตหรือบริจาคเสื้อผ้าแก่คนยากจน ก็จะให้ผลเกี่ยวกับเนื้อหนังที่ทนทานไม่อ่อนไหวกับดินฟ้าอากาศง่ายส่วนจะมีผลให้ผิวพันธุ์เปล่งปลั่งเป็นทองทาเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับระดับความศรัทธาเลื่อมใสและคุณภาพของเนื้อผ้าในทางกลับกันหากทำอะไรที่เป็นผลร้ายกับผิวหนังเช่นชอบแกล้งโรยหมามุ้ยในที่พักให้คนคันขยเออเล่นเอาสนุกถ้าแกล้งได้แล้วเกิดโสมนัสบ่อย ก็มีสิทธิ์ให้เกิดผลทันตาในชาติปัจจุบันเช่นผิวแพ้ง่ายโดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ผิวไปหมดเป็นต้นหากวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นยารักษาโรคลักษณะบุญหรือบาปจะออกไปทางสุขภาพแม้ยารักษาโรคเป็นสมบัติที่เก็บไว้ไม่ได้นานนักท้าว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย จะหายป่วยหรือสุดหนักถึงขั้นพบยมมาทูตบางทีก็ตัดสินกันที่มียาหรือไม่มียานั่นเองฉะนั้นต้องถวายอยูกยาแด่สมณะเรื่อยๆหรือเป็นหมอที่รักษาคนไข้ด้วยความปรารถนาให้หายเจ็บป่วยจึงจะให้ผลเป็นสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คงเส้นคงวาแต่อีกขั่วหนึ่งถ้าเป็นพวกชอบเล่นยาพิษชอบฉีดยาทดลองกับสัตว์ ก็จะให้ผลเป็นสุขภาพที่ย่ำแย่เป็นโรคประหลาดรักษายากคราวนี้มาพูดถึงวัตถุอื่นนอกเหนือขอบเขตปัจจัยสี่มองไปในโลกนี้คุณจะพบวัตถุที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษเต็มไปหมดผู้ให้วัตถุที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับประโยชน์ผู้ให้วัตถุเป็นโทษย่อมได้รับโทษ ขอยกตัวอย่างเพียงสังเขตเพื่อให้เกิดภาพในใจพอประมาณหากวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นแสงสว่างลักษณะบุญหรือบาปจะออกไปทางการรับรู้ที่แจ่มชัดไม่ว่าจะเป็นเทียนที่มีอายุสั้นหรือหลอดไฟที่มีอายุยืนสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเห็นโลกยามมืดฉะนั้นการถวายเครื่องทำความสว่างใดๆแก่สมณนะก็ย่อมมีผลกับคุณภาพประสาทตาและหากอธิษฐานกากับ ก็อาจปรารถนาความเป็นผู้มีปัญญากระจ่างรู้เห็นและเข้าใจอะไรๆแจ่มแจ้งแทงตลอดในทางตรงข้ามหากขโมยไฟตามทางในวัดทำให้พระเนรลำบากงมในความมืดก็มีสิทธิ์ถึงขั้นเกิดใหม่ตาบอดแต่กำเนิดได้หรือแม้พวกทนรมนักโทษด้วยการนิยมชมชอบเอาแสงแรงๆอย่างสปอร์ตไลท์มาส่องหน้าบ่อยๆก็มีสิทธิ์เกิดใหม่ในตาพร่าพาย ประสาทการรับรู้ผิดปกติได้หากวัตถุที่ตั้งของบุญบาปเป็นหนังสือต้องแยกเป็นหมวดหมวดว่าหนังสืออะไรหนังสือประโลมโลกที่ทำให้หลงติดและทวีราคะโทสะโมหะอย่างหนักหรือหนังสือให้ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการหรือหนังสือที่ให้สติปัญญาเท่าทันความจริงอันเป็นสัจจะจะพาตัวรอดปลอดภัยจากทุกโศก บริจาคหนังสือประเภทใดแบบเจาะจงก็ยอมได้ผลเป็นเช่นนั้นเข้าตัวและเนื่องจากหนังสืออยู่ได้นานแจกจ่ายให้อ่านต่อกันได้หลายคนผลกรรมย่อมมีความตั้งมั่นสูงไปด้วยขอให้พิจารณาว่าตัวหนังสือผูกเป็นประโยคอย่างไรระบบความคิดของมนุษย์ก็ถูกจัดระเบียบตามนั้นและความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างไรโลกนี้ก็ปรากฏไปตามนั้น น้อยคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วทำประโยชน์อย่างใหญ่ได้หากเป็นผู้มีโอกาสจะทำหนังสือแบบใดกระจายสู่มหาชนกว้างขวางก็นับว่ามีส่วนสร้างโลกแบบนั้นๆขึ้นมาและจะต้องได้สวยพบในแบบนั้นๆต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอน